การปฏิบัติธรรมเดิมมาได้ต้องวันนี้เป็นวันที่เกตของการปฏิบัติจะเทศให้ฟังให้ทำความเข้าใจให้ดีตัวตนของเรานี่หรือว่ากายใจของเรานี่มันสำคัญ เราต้องเข้าใจมันรูปมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปเวทนาก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปสัญญาก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปสังขารไม่เที่ยง เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปวิญญาณก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปเหมือนกันเมื่อมีเกิดจอมีดับเกิดขึ้นมาเป็นคนต่อไปก็แก่เท่าสลาภาพถึงการนั้นหนึ่งแล้วก็ต้องจากไปพูดง่ายมีเกิดมีตายเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจในตัวของเราว่า ตัวเรานี้เกิดขึ้นเป็นคนแล้วไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดไปจะต้องแก่จะต้องตายอยู่เพราะฉะนั้นต้องเตรียมใจให้พร้อมคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเก็บ ต, ต้องตายนี่ไปไหนไม่พน้นพอให้นี้เกิดเอถอะจะกี่คนกี่คนก็ ตายหมดทั้งนั้นแหละแต่ว่าไม่พร้อมวันเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าตัวห้องเรานี่ประกอบส่วนด้วยอุปทานขันทั้งห้าอุปทานขันห้านี่ความยึดความเือนี่แหละเป็นตัวสำคัญอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่น ถือว่าเป็นเราเป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวตนของเราถือยึดถืองี้ยแะจนถึงวันสุดท้ายก็ยังยึดถือไปอยู่อันนะ่ะทายังไงเราถึงจะไม่ยึดถือก็ให้ปฏิบัติธรรมให้ปล่อยให้วางได้ให้ลาได้ให้ทอดทิ้งได้ให้สลัดคืนได้นี่ สลัดสลัดออกจากทุกจากวาตาสงสารนันนี่เป็นพระอริยบุคคลโสดาบันสกิตาคามีอนาคามีอรหรันนี่พวกนี้สลัดพบสลัดชาติได้แล้วแต่ ว, ว่าได้ไม่มากต่างมากน้อยต่างกันเท่านั้นเองคนผู้ปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ย่อมได้มรรคได้ผลได้มรรคได้ผลได้เห็นความจริงของชีวิตว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปทุกคนทุกคนไปอย่างนั้นหมดในโลกนี้จะมีมากน้อยแค่ไหนเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ในที่สุดก็ต้องตายหมดทุกคนเราต้องคิดว่าตัวเราวันหนึ่งก็ต้องเจอแบบนี้เหมือนกัน แบบที่คนอื่นเขาเป็นเหมือนกันเราพยายามพยายามเพิกถอนละความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญหมายในตัวตนอันนี้ว่ากีรังยัง่งยืนมันไม่กีรังยัง่งยืนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปเหมือนน้ำอยู่บนใบบัวนี่พอต้องแสงะ้าทิ์ก็เหินแห้งหายไป เหมือนน้ำบนลอยโคพอถูกต้องแสงพาที่ก็เหินแห้งหายไปหมดไปสิ้นไปชีวิตของคนเราก็เหมือนกันมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายโดยกันหมดทุกคนถ้าเราไม่ใส่ใจไม่สนใจเรื่องนี้เราจะไม่รู้เลยว่าเราจะเป็นอย่างไรในอนาคตข้างหน้าเราคิดกลัวอย่างเดียวกลัวตายที่จริงนาไม่น่ากลัว พอถึงเวลามันก็ไปของมันแต่ว่ากลัวที่ขณะอยู่นี่กลัวทำชั่วทำบาปไว้นี่อันนี้สำคัญถ้าทำชั่วทำบาปทำความไม่ดีไม่งามไว้เราก็ได้รับผลของกรรมที่ชั่วนั้นเราทำกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีให้ประมาทมัวเมาให้รุ่มหลงให้พเพลิดพเพลินให้เดินตามทางที่ไม่ถูก ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องอมีบาปมีโทษมีอกุศลเกิดขึ้นอันนี้แหละมันสำคัญถ้ามันมีบาปมีอกุศลเกิดขึ้นในใจแล้วเราจะไปไหนเราก็ไปสู่ภูมิอันต่าไปสู่ภูมิอันเดือดร้อนไปสู่ภูมิอันมีทุกข์ไปสู่ภูมิที่ไม่เจริญสำหรับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้อง งดเว้นความชั่วบาปอากุศลทุกอย่างอืมบาปอากุศลความชั่วความเลวทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องละหมดทิ้งหมดถอนหมดเพิกออกจากใจหมดไม่ให้เหลืออยู่ในใจนี่เราต้องเป็นอย่างนี้เราต้องละอกุศลละความชั่วทั้งปวงทําความดีให้ถึงพร้อมทํากิจให้บริสุทธิ์ผ่องใส นี่แหละสำคัญทำความดีให้ถึงพร้อมละความชั่วได้นะ่ะมันถึงจากความดียังเกิดนี่ทำความดีได้ความชั่วทั้งหลายให้ละทิ้งหมดให้ถอนออกจากใจให้หมดให้ละให้ได้ให้เลิกให้ได้สิ่งใดที่เคยทำมาแต่อดีตปัจจุบันต้องเลิกต้องเลิกจากอากุศลกรรมเหล่านั้นหรือบาปกรรมเหล่านั้น ให้บริสุทธิ์ทางกายบริสุทธิ์ทางวาจาบริสุทธิ์ทางใจอืมเดี่ยวกับเว้นชั่วทั้งข่วงทําความดีให้ถึงพร้อมคือทํากายทําวาจาทําใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้ไม่มีมนทินให้ไม่มีโทษให้ไม่มีบาปให้ไม่มีอกุศลสิ่งใดนั่นแหละแล้วก็ทํากิจให้ผ่องใส ทำจิตให้ผ่องใสจิตนี้มันมีปกติจิตตังประพัฒสารไม่ดังจิตดังจิตมีปกติผ่องใสอยู่แล้วแต่อาคันตุกะกิเลสเข้ามาบาังไว้มาบดไวเหมือนโปตะเกียงเนี่ยที่เราใช้ไปใช้ไปนี่เข่ามันก็จะเกาะติดถ้าเราเช็ดให้ดีแล้วมันก็ใสเหมือนเดิมจิตของเราเหมือนกัน พอมันไม่ใสมันขุนมัวด้วยบาปอากุศลต่างๆนอกจากละเลิกสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำแต่สิ่งที่ดีเมื่อเราทําสิ่งที่ดีจิตใจของเราก็ผ่องใสอย่างที่เราทําอยู่นี้ก็คือทําจิตให้ผ่องใสทําจิตให้บริสุทธิ์ทําจิตให้ปราศ จ, จากกิเลส ท, ทั้งหลายทั้งพวงนี่เราทําได้กันอยู่นี่นี่แหละทําจิตให้ผ่องใสอย่างนี้เรียกว่าทําจิตให้ผ่องใส พองใสจากบาปอกุศลทั้งหลายไม่มีโทษไม่มีมนลทินไม่มีความชั่วใดๆอยู่ในใจเลยใจถึงความบริสุทธิ์ผุดพองพอเป็นพระญาโมคคลในพุทธศาสนาเป็นสวตบันพระกิเลสสังโยชน์ได้สามคือสกายะทิฏฐิวิกีกิจชาศิลปธาตุปร า, ภ า, ภ า, ามาต อันนี้เป็นชื่อของกิเลสที่ละไปได้สกายาทิติความเห็นว่าตัวตนตัวของเราร่างกายของเราตัวของเราเหล่านี้เราเห็นว่าเป็นตัวของเราจริงๆยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่าเป็นตัวเราของเราจริงๆนี่แหละสกายาทิฏิ ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราจริงๆอิงนี่แหละถ่าให้ละให้ละความยึดความถืออันนี้ให้เลิกให้เพิกถอนกิเลสอันนี้ออกไปจากใจเราสกายที่วิจิจิตาความลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลงลังเลในกรรมดีกรรมชั่วไม่เชื่อกรรมดี ไม่เชื่อว่ามีก ร, รมชั่วเนี่ยศิลพะตาปรามาตคือกระทำแบบรูปคำคาไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจเพื่อความผลสุดหมดจดพองใสของกิจอันนี้ย่อมติดย่อมคล้องย่อมละเลิกไม่ได้ย่อมยึดติดถ้าเราละได้เราละได้สามขั้นนี่เราก็เป็นพระสวดาบันแล้ว พราคาโทสะโมหะกิเลสของเราเบาบางลงเบาบางลงนี่ก็เป็นพระสกิทาคามีแล้วทายกิจเราบริสุทธิ์ขึ้นไปอีกปฏิฆะก็ไม่มีคือความขาดเครื่องในใจไม่มีปฏิฆะไม่มี การมาราคาก็ไม่มีนี่เราได้อนาขามีแล้วต่อไปอีกสังโยชนเบื้องสูงห้าถ้าเราละได้จนถึงอวิชชานะละอวิชาดับอวิชาจากใจแล้วเราได้เราก็เป็นพระอารหรันต์นี่แหละสังโยชนสิบนี่เราละได้หมดเราละได้หมดล้วก็เป็นพระอารหรันต์ ถ้าราละยังไม่ได้ก็ยังเป็นพระเรียวคนไม่ได้ถ้าละได้ก็เป็นพระเบุคคลได้ดูที่สกายาทิฏฐิวิกิกิจชาศิลปะต่อาละมัดนี่ละได้ถ้าละได้เราก็เป็นพระสวดาบันละ ว, ว่าตัวตัวนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายไปแตกดับไปพอเรารู้อย่างนี้ก็เป็น จิตของเราวางได้ระดับนี้วางจากกิเลสอันนี้สามอย่างเนี่ยวางได้เราก็เป็นพระอริยบุคคลแล้วเราเป็นพระอริยบุคคลท่านโสดาบันเป็นพระโสดาบันประเสริฐกว่าความเ็นใหญ่ในโลกทั้งลวงทัพยาเอกรเจนะสักษาคามนินวาสภาโลเจนะปฏีนะ โสดาปฏิพลังวะหลังพระพุทธเจ้าวสัสไว้ในธรรมบทคุตกะนิกายความเป็นใหญ่ในพื้นปฏาภีอันนี้เป็นใหญ่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็สู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้สู้เป็นพระโสดาบันไม่ได้เลยความไปสวรรค์ ก็สู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้ความเป็นใหญ่ในโลกทั้งสามนี่โลกทั้งสิ้นนี่ขามาโรกรูปโลกอารูปโลกเราเป็นใหญ่หมดเราสั่งการคนเดียวสำเร็จหมดทุกอย่างในโลกทั้งสามนี่เราเป็นใหญ่หมดเลยอยู่ในอำนาจของเราหมด ก็ยังสู้ความเป็นพระโสดาวันไม่ได้พระโสดาบันนี่เป็นใหญ่ประเสริฐหรือเลิศกว่าความเป็นหล่านนทั้งหมดเป็นใหญ่ในโลกทั้งในแผ่นดินนี่พื้นปฐพีนี่เป็นใหญ่ในสวรรค์อ่หรือความไปสวรรค์แล้วก็เป็นใหญ่ในโลกทั้งสิ้นนี่ยังสู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้พระโสดาบันนี่ ตายแล้วไม่ไปตกนรกมะเกิดดีก็ไม่ตกนรกเกิดดีก็ไม่ทําชั่วอย่างช้าที่สุดเกตชาติเท่านั้นเองก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นี่มันดีมันประเสริฐ ด, ดังนี้ถ้าใครได้พอช่วราบันคนนั้นก็โชคดีแล้วเหมือนเป็นเจ้าจั ก, กรพรรดิแล้วหรือยิ่งกว่าเจ้าจากกาักรพรรดิที่นี่ เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจการละ ก, กิเลสได้ไม่ใช่ธรรมดาร้านใดเพียงเท่านี้ยังมีความประเสริฐเลือนล้นสามารถนำบุคคลให้ถึงความสุขความเจริญอย่างยิ่งทีเดียวดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาเข้ามาที่ตัวเร า, าตัวเรานี่ขนาดนี้เราปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงด้วยอย่าง จิตเราสงบไหมจิตเราสบายไหมจิตเราวุ่นดีวุ่นวายอยู่หรือเปล่าหรือว่าสงบเยอกเย็นอันนี้ก็ถามเข้าไปที่ตัวของเราเลยฟังเข้าไปที่ตัวของเราดูตัวของเราดูใจของเราว่าเราละได้ไหมเราล ะ, ละอุปทานขันห้าได้ไหมถ้าละอุปทานขันห้าได้นั่นแหละเราละได้แล้วอืม เราละได้แล้วละกิเลสแล้วอุปทานในรูปอุปทานในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราละ ไ, ด, ได้เราไม่ติดเราไม่ติดเราไม่ข้องเราไม่ยึดเราไม่ถือเราไม่สำคัญมั่นหมายในตัวตัว น, นี้จิตใจของเราก็สูงส่ง เมื่อบานเจียมใสน่าเรื่องในธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะเราละสิ่งที่ชั่วร้ายในใจของเราได้แล้วต่อไปเราก็ทําความดีต่อไปต่อไปเรื่อยๆอันไหนดีเราทําอันไหนไม่ดีเราอย่าทำอันไหนไม่ดีเราอย่าทำให้เรารักษาวความดีของเราไว้ให้มั่นคงผู้ปฏิบัตินี้ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึง ถ้าทําถูกต้องแล้วต้องได้ต้องถึงอืมต้องถึงมากถึงผลถึงความสุขความเจริญได้แน่นอนทําไมจะไม่ได้พราะทำถูกแล้วมันต้องได้ทําไม่ถูกต่างหากมันไม่ได้ถ้าทําถูกแล้วมันมันได้ทันทีทําถูกทาําไงมีสติเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าเราก็เห็นเราก็เราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้ เรารู้อยู่แค่เนี้ยกีดของเราก็สงบลงไปสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นปัญญากเกิดขึ้นตัดกิเลสอาสวะได้ทันทีเนี่ยตัดได้สามสังโยชน์สามก็เป็นพระชนวันแล้วนัขอให้เราทำให้มันได้อย่าถอยอย่าหมดกำลังใจเพราะอีกวันเดียวก็จะสิ้นสุดการปฏิบัติแล้ว ตั้งใจปฏิบัติพรุ่งนี้เช้าก็หมดแล้วให้คิดว่าเรามาอยู่ที่นี่เจ็ดวันตั้งใจปฏิบัติจริงๆหัวด้วยเหนื่อยยากภาในก็ตามอดทนเพื่ออะไรเพื่อให้กิจของเราผ่องใสเพื่อให้กิจของเราบริสุทธิ์นี่แหละเราก็ทํากิจของเราให้ผ่องใสได้ตามสมควรแก่อัตภาพหรือ แ, แก่ตัวตัวบุคคลแต่แก่ตัวเรา เราละได้เราตัดได้เราเห็นความสำคัญที่เกิดขึ้นว่าตัวตนนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตดาตัวตวนอันนี้ไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วแก่แเก็บตายไปไม่เที่ยงตัวตวนไม่เที่ยงชั้นยาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงอะไรทุกอย่างไม่เที่ยงทั้งนั้น เราก็พิจารณาเข้ามาที่ตัวของเราเราลนะเราเพิกถอนออกไปเหมือนถอนหญ้าที่ยืนตามไร่ตามนานเนี่ยต้นข้าวเราไม่ถอนเราถอนแต่หญ้าออกข้าวก็งอกงามเราก็ถอนกิเลสออกจิตใจของเราก็ผ่องใสถ้าเราถอนกิเลสออกได้มากเท่าไหร่จิตใจเราก็ผ่องใสมากเท่านั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ การชำระใจให้บริสุทธิ์นี่คือเป็นงานสําคัญที่สุดยิ่งกว่างานใดทั้งสิ้นงานในโลกนี่ทํามาหากินนั่นก็เป็นงานยุ่แต่ว่างานสําคัญที่สุดคืองานถอนกิเลสออกจากใจด้วยถอนอุปทานถอนความยึดความมั่นความสําคัญหมายในตัวในตัวออกไปอืให้เห็นเป็นส ก, กายยะที่ตีให้เห็นเป็น วิกิกิจชาเห็นให้เห็นเป็นศีลพระจับปรามาสสิ่งเหล่านี้เป็นย้าเราต้องถอนออกจากใจเราราคะโทสาโมหะเหมือนกันให้มันเบาบางลงไปให้มันหมดไปจากใจถ้าเราให้หมดไปจากใจได้เราก็พ้นจากทุกได้ถ้าเราให้พ้นจากใจไม่ได้เราก็ไม่พ้นทุกได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ ขอให้ตั้งใจปฏิบัติขัดเกลากิเลสเพราะเรามานี่ก็มาฝึกฝึกขัดเกลากิเลสฝึกขาดให้มีธรรมะขึ้นมาในใจให้กิเลสมันถอยออกไปแต่เราก็ทํากันได้พอสมควรน่าอาจจัศจรรย์จริงๆภายในเจ็ดวันเราสามารถทําใจของเราให้สงบได้ก็ถือว่ายอดแล้วถอนกิเลสถอนความยึดมั่นถือมั่นได้อันนี้ก็น่าสําคัญอยู่ ไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติเรื่อยๆอย่าอย่าท้อถอยให้ตั้งใจกลับไปแล้วก็ใหญ่กลับไปเฉยๆกลับไปแล้วก็ให้ปฏิบัติด้วยให้ปฏิบัติบ่อยๆให้เห็นลมอยู่บ่อยๆให้เห็นความรู้สึกของเราอยู่บ่อยๆนั่นแหละหรือแม้เรามีเวลานั่งเราก็นั่ง ถ้าเราไม่มีเวลานั่งเราก็รู้สึกลมหายใจเข้าออกอยู่เรื่อยๆนี่ชื่อว่าทําถูกทําเป็นแล้วอย่างนี้ชื่อว่าทําถูกทําเป็นทําถูกทําเป็นก็มีความสุขกายสุขใจขึ้นมาใจก็เบาใจก็สบายท่านทําเป็นไหมท่านรู้ได้เลยว่าทําเป็นหรือไม่เป็นเราละได้สกายสิติตัวตนนี่ตัว ต, น, น, ต, วตนของเราเราละได้เราเห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไป ไม่มีอะไรน่ายึดน่าถือนี่ไม่สําคัญนั่นหมายในตัวตัว น, นันนี้ว่ามันจะแก่มันจะเก็บมันจะตายเราก็ดูแลรักษามันไปใช้มันไปทําประโยชน์แก่เราเนี่แหละในที่สุดก็แตกสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรเหลืออยู่เพราะฉะนั้นจึงให้พยายามทํากลับไปแล้วก็ให้ทำอย่าอยู่เฉยเฉยให้ทําอยู่เรื่อยๆ พอจะกำหนดได้เวลาไหนก็ให้กำหนดเรื่อยๆให้กำหนดอยู่เรื่อยๆเราก็จะสบายอยู่เรื่อยๆถ้ากำหนดลมปั๊บใจเราก็สบายปับทันทีเลยอันนี้พอทำเป็นแล้วถ้าทำไม่เป็ียนก็พอเลิกจากการปฏิบัติก็แล้วไปทิ้งไปเลยอ น, นี้โอ้ปฏิบัติเหนื่อยยากมาตั้งเกียวันเราไม่น่ารึกถึงเลยอันนี้มันไม่ไม่สมควร ต้องคอยรักษาอยู่เรื่อยๆกลับไปแล้วก็คอยดูลมอยู่เรื่อยๆอันนี้แหละจึงถูกเวลาเข้าสมาธิจริงๆเราก็เข้าสมาธิบ้างนั่งบ้างทุกวันทุกวันถ้าหาเวลาได้ก็นั่งถ้าเวลาไม่ได้ก็คอยดูลมอยู่เรื่อยๆเราก็จะสบายเราก็จะเป็นสุขเราก็จะจิตของเราที่มีมากมีผลมี การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้แล้วมันก็รักษาไว้อย่าให้มันเสื่อมสูญไปอย่าให้หมดไปจากใจเราเพราะมันเป็นของดีเป็นความดีสําหรับเราให้เราตั้งใจรักษาให้ต้องตั้งใจปฏิบัติให้ตั้งใจเอาจริงเอาจังอย่าท้อถอยกับการปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี่กว่าจะมีโอกาสมาได้ไม่ใช่ว่ามีโอกาสอย่ทุกทุกครั้งไปนานๆทีเราถึงจะมีครั้งหนึ่ง ถึจะได้โอกาสสักครั้งหนึ่งเรามาปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจเก็บรักษาความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่ได้ไปให้มันมันม่นคงให้ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาให้ดีอยู่ตลอดเวลาให้สงบอยู่ตลอดเวลาให้สบา ย, ยตลอดเวลาให้ดีทุกทุกโอกาสเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทเราอย่าคิดว่าโอ้ยทําแล้วเราได้แล้วเราภาวนาเป็นแล้วเราไม่ต้องทําหรอกอันนี้ไม่ใช่ เราต้องทําทําบ่อยๆทําอยู่เรื่อยๆงั้นเรานั่งทำสมาธินี่แหละเราก็ทํำบ่อยๆทาอยู่เรื่อยๆเวลาอยู่อยู่โลกภายนอกเราไม่สามารถที่จะทําแบบนี้ได้เราก็คอยกําหนดลมหายใจเข้าออกไว้เราคุมลมหายใจเข้าออกนิจใจเราก็เย็นสบายลงไปนั่นแหละเรียกว่าเรารักษามันรักษามันมันก็รักษาเราไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วไม่ให้ตกไปสู่ความบาปความ อาุศลต่างๆเราจะทำบาปมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นโทษอันนี้เป็นกายทุจริตอันนี้เป็นวจีทุจริตอันนี้เป็นมโนทุจริตเราอย่าทำกายทุจริตเราก็อย่าทำวจีทุจริตเราก็อย่าทำมโนทุจริตเราก็อย่าทำให้ทำกายสุจริตให้ทำวาจาสุจริตให้ทำใจสุจริต subsidy. กายวาจาใจของเราให้มันสุจริตตลอดให้มันดีตลอดให้มันจเจริญอยู่ตลอดให้มันยิ่งใหญ่อยู่ตลอดเราคอยดูเวลาไหนเราจะทาสิ่งไหนก็ตามเราจะทำอะไรก็ตามให้เราดูว่าอันนี้ผิดหรือถูกถ้าผิดเราอย่าทำอย่าฝืนทำเลยจิตใจจะเศร้าหมองจิตใจจะขุ่นมัวเราทำกิจให้พองใส่ เราต้องละต้องเลิกต้องหยุดไม่ทำสิ่งนั้นถ้าสิ่งไหนที่เป็นความชั่วความผิดเราอย่าทำให้เราเลิกทันทีสิ่งไหนเป็นความสุขความเจริญให้ทำสิ่งนั้นให้ทำให้ดีให้ทำให้เต็มที่ความดีให้ทำให้มากความชั่วอย่าทำเราออกไปแล้วความชั่วอย่าทำให้ทำแต่ความดีให้ทำแต่ความสุจริตให้ทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ให้มดเว้นจากโทษสิ่งต่างๆความบาปความชั่วต่างๆให้ละเลิกหมดกลับไปแล้วจะกลับไปแบบทอดทิ้งหรือกลับไปทิ้งเรากว่าจะทําได้ขนาดนี้มันยากแสนยากเราทนอดทนอย่างเต็มความสามารถเราเลยเราต้องรักษาไว้ให้ดีอย่าให้มันเสื่อมสูญไปให้ตั้งใจปฏิบัติอยู่ตลอดให้รักษาไว้จนตลอดชีวิตของเรา เราก็จะมีความสุขความเจริญเราเห็นกายนี่รูปขันนี่เป็นของไม่เที่ยงค่อยเห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆแต่ก่อนเป็นเด็กต่อมาก็เป็นผู้ใหญ่ต่อไปก็แก่เท่าต่อไปก็ตายไปนี่รูปนี่ไม่เที่ยงเวท น, นาก็ไม่เที่ยงคือการรับรู้อารมณ์ต่างๆทางตาทางหูทางจมกูกทางลินทางกายทางใจไม่เที่ยงสักอย่าง นี่แหละเวทนาก็ไม mm. ่เที่ยงเวทนาเป็นสุขก็ไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์ก็ไม่เที่ยงเวทนาเป็นรู้สึกต่างๆเนี่ยไม่เที่ยงสักอย่างมัเรียกว่าเวทนาเปีย่าความรับรู้รับรู้อารมณ์ต่างๆมันไม่เที่ยงความรับรู้อารมณ์ต่างๆไม่เที่ยงฉันอยากความจําได้หมายรู้ก็ไม่เที่ยง เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสังขารก็เหมือนกันสังขารขันคือเป็นกองแห่งความคิดนึกปรุงแต่งอันนี้ก็ต้องเป็นหมวดเป็นหมู่เหมือนกันเป็นขันอีกมั น, นความคิดความนึกปรุงแต่งนี่ก็สําคัญเราต้องให้มันคิดคิดนึกปรุงแต่งแต่ในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีอย่าเอามันเป็นของไม่เที่ยงอันนี้ ความคิดนึกปรุงแต่มันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นได้กระดับได้นะมันเกิดขึ้นตังอยู่แล้วก็ดับไปไม่เที่ยงวิญญาณมันก็ไม่เที่ยงวิญญาณขันเน่ยคือความรับรู้อารมณ์ต่างๆความรู้สึกร้อนสึหนาวรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจพวกนี้ไม่เที่ยงสักอย่างเราอย่าไปยึดถือเอามันให้ปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ละหมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเอาไว้ในใจของเรายังไงยังไงเราก็ต้องไปจากโลกนี้อยู่แล้วทุกคนไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งนี่ให้เราตั้งใจปฏิบัติทำให้เต็มที่ให้มีทมอยู่ในใจให้ใจเราได้บรรลุมากผลให้เจได้พ้นจากทุกให้ใจถึงความสุขความเจริญจึงจะคุ้มค่าที่เรามาเรามาปฏิบัตินี่เราทาได้ทาถึง ตั้งแต่ต่ำสุดจนสูงสุดเราสามารถทําได้ทาถึงก็ขอให้ตั้งใจทํา ใ, ให้ดีต่อไปอย่าทอ้อถอยอย่าทอดทิ้งเมื่อกลับไปแล้วอย่าทอดทิ้งให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นของตัวตนที่แท้จริงไม่มีอะไรเป็นของที่ควรยึดควรถือควรสาคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเรา มีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นมีแต่ของที่ทรงอยู่ไม่ได้ทั้งนั้นมีแต่ของสลายไปในที่สุดทั้งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปมีหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเพราะฉะนั้นให้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าถอดทิ้งสิ่งที่ได้แล้วให้รักษาไว้ให้ดีเพราะเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่เราหาได้ยากที่สุดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอย่างสู้ความเป็น ที่เราภาวนาปฏิบัตินี่ไม่ได้นั่นแหละขอให้ทำอเอาเท่านี้แหละ